วาลิวยากรณนนี้แบ่งเป็นสีภาคก่อนคืออาคาระวิทีวาชิวิพังวากยยสัมพันชัมาาส า, ารลักษนะอาคาระวิทีว่าด้วยอักษรจัดเป็นสองคือสามัญญาพิสานสดาแงเชื่ออักษรที่เป็น และพยานชนะพร้อมคั้งตนกรสติต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นอันเดียวกันว่าจีวิภางแบ่งคำพูดออกเป็นหกส่วนคืนนอนาอภิยสามส ม, มาสตาเทตากยานกินว่ากยสัมพันว่าโดยกะรรวงและปะัปปานผู้คำพวด ไว้ไหนว่าชีวิฟปางให้เข้าเป็นประโยคกันเดียวกันชานต่างลักษณะแสดด ว, วิธีแต่งชานคือคาถาที่เป็นวันนับเรือนและมาตาเพื่ น, น้ำนำ้ำสัพนานแบ่งเป็นสามคือ น, น้ำน้ำหนึ่งคนน้ำหนึ่ง สรรพนามหนึ่งนามที่เป็นชื่อของคนสัตว์ที่สิงของเป็นนามนามนามนามนี e ้แบ่งออกเป็นสองส่วนศาสนานามหนึ่งอาศาสนานามหนึ่งนามที่ตัวไปแก่คนสัตว์ที่อื่นได้เหมือรคำว่ามนุษย์มนุษติราชานสติราชานักการเมืองเป็นต้นเป็นสาณนา นามที่ไม่ตัวไปแก่สิ่งเงินเมื่อคำว่าที่คำว่ เอราวันโอนช่างเจเอราวันสวัสดีเมืองเชื่สาวาัสดีเป็นต้นเป็นอาสาธนานามนามที่แสดงลักษณะของนามนา<ำ>มสำหรับม่ให้รู้ว่านามนามนั น, น, น, นดีหรือชั่วเป็นต้นเป็นคุณณะเมื่อคำว่าปัญญาวามีปัญญาปุริสุนปุรุเธอเอาความตามพระตาของเราว่า มีปัญญาภุริโตเป็นนามามปัญญาวาเป็นคุณนามคุณนามนี้แบ่งเป็นสาชั้นคือโปกติหนึ่งเวเศษหนึ่งอัติเวเศษหนึ่งคุณนามที่แสดงความดีหรือชั่วเป็นโปกติเหมือนคำว่าบัณฑิตโต ป่าโพเป็นบางเชื่อปกติคุณนามที่แสดงความดีหรือชั่วมากหรือน้อยกว่าปกติเมื่อนคำว่าบันดิตาตโรเป็นบันดิตกว่าป่าป่าตโรเป็นบาปกว่าเชื่อเวสนคุณนามที่แสดงความดีหรือชั่วมากที่สุดหรือน้อยที่สุดเมื่อนคำว่าบันดิตาตโมเป็นบันดิตที่สุ ปาป่ตาโมวเป็นบาปทีสออ่ส่วนเชื่ออาศิวิเศณวิเศษ น, น, นานใจตารายญาปัจจัยในสตยเท็ต่อปกติบง า, างใจอุปมาอ า, า, า, ย า, ยาิยิงนำหน้าบางอาศิวิเศษใจสามารถีาปัจจัยในัตย์เท็จต่อปกติบาง แลลนีบานคืออาตีวิยาเกิดเปรียบนำนามบางสักผ่านามเป็นชื่อสำหรับใช้แทน น, นามที่ออกชื่อมาแล้วเพื่อจะไม่ให้สำสำสักสักซึ่งไม่พราโอโหูนามท้งสำนั้นต้องประกอบด้วยลิงวัจนาวิพันลิงนามศัพท์ในบาลีภาษานั้นท่านแบ่งเป็นลิงสามเกือปุ่งลิงเพศชายหนึ่งตีลิงเพศหญิงหนึ่ง ปุงสกลิงมีชายเป็นชายมีชายเป็นหญิงหนึ่งนามนามเป็นลิงคือจะเป็นปุงลิงเหยิยดเทลิงหรือหน้าปุงสกลิงก็อย่างเดียวบางเป็นสองลิงคสับพันเดียวมีรูปอย่างเดียวเป็นได้ทั้งสองลิงหรือมุนสับเป็นอันเดียวเปลี่ยนแต่สารที่ส่วนให้แปกกันบ<ไ>็เป็นเครื่องหมายให้ต่างลิงกันบางปุ่นนามและสับ ขาน้เป็นได้ทั้งสามหลิงเหลืงนั่นจะเป็นซองคือจะตามสมมติของภาษาบางจะตามกําเนิดบางที่จะตามสมมตินานเหมือนหนึ่งคำเนิดสตรีตสมมติให้เป็นปุงเล่งและของที่ไม่มีวิญ ญ, ญาณสมมติให้เป็นปุงเลิงและอิทธิเลิงเหมือนคําว่าอาโรเมียสมมติให้เป็นปุ ง, ง่ง ปะเทโซประเท ศ, เทศสมมุติในเป็นปุงเลิงภู่มมีแผ่นดินสมมุติในเป็นอิดที่ลิงที่จะตามคำเนิร์ดนานเหมือนปุริโซชายเป็นปุงล่งอิดที่เลงเป็นอิดีลิงเป็ น, ปนต้นต่อไปนี้จะแสด ง, งอุทาหอ เป็นลิงเดียวต้องลิงตามลิงขอเป็นตัวอย่างนำนามเป็นลิงเดียวปุงลิงคำแปลอามโรเิวดาอาทิจวตพระอินทร์โทพระอินทร์อิโต้คนเป็นใหญ่ภูคาติชาเลเอรันโดตนละหุงโกโก้หัวน้ำ การนำก่อนนั้น นำจางปูนตาเตลังน้ำมันผันนางใบไม้ยาหนังยานำ น, นสัตเดมีรูปอย่างเดียวเป็นสองลิงปุงลิงหนปุงสกลิงกำแฝงอาการลหะอาการรังซ้อนอาการลหะอาการรังเรือรันปวดตัวปวดตั ว, ว, วเรือโด เทวตัวเทวสร้างวานมโนมานังใจสรงว่าจะรัวสร้างว่าจะรังเปลี่ยนนานามมมตัเป็นอย่างเดียวเปลียตสรที่ส่วนเป็นสองเลิงพุงเล่งเยสีเล่งอะรหังอะระหังอะระหั i ติพอรหังอาชิวะโกอชกา ปะตโกอุปัสสิกะอุปัสสอุปัสิกะโกมะรุมะริกโมะริกาเด่งใจหญิงกติโยกตติาณิกติญาการะสโอโนอาวิโกอจัวโรอจริจันยาตะโกอติกายะตะรุโนตรุีหนุมญิงสา ทเรพระเทรระตระโกตาริกาเด็ชายเด็กิงเทวีพระเจ้าแผ่นดินพระราชเทวีนารดารีคนาย ปาริภักรวาปาริภะที่กานบุญใจยิ่งพิคพิูนี้พิสัวพิคสุนีพระวังโพธิผู้เจริมนุษยสมนุเสมาณใจยิ่งยาโยากินิยากยากินโยวาโยวาสใจหนุ่มยิ่งสาวราชาราชนิภะ แผ่นดินพระราชนิ刹ครสาสักเพื่อชายิงหาที่หัที่นิ่างปลาชจางปางคณนามเป็นสามเลิงปุงเลิงอิเตเลิงนาำปุงสกะเลิงกํแปลกรมมาการอกมมการิ กรรมการงานกรรมการงานคุณาวาคุณวาสีคุณาวังมีคุณจันโดจันดาจันดังดูรเจตโตเจตาเจตังสิสุตาโนสานาตานังตาติโรธีราธีรมันโกตะกา ขยันทำมิโกทำิกาทิกาตังในธรรมนาโทรนาคานาทางทฝึงบาปโปาปปปปปปปปปโปเปโปีโปเขมีโปขามาติมาติมติมติมังมีความเขินลาบิลาบนีลาบิมี สาทโัตว์สันต์สันังมิสัาววาจนาคำพูดในบาลีภาษาจัดเป็นวาจนาสองคือเอกวาจนางคำพูดจำหรับออกชื่อของสิ่งเดียวหนึ่งพหุวาจนางคำพูดจำหรับออกชื่อองมากกว่าสิ่งเดียวคือตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปหนึ่งวาจนาทั้งสองนี้ ไม่ให้แปลการที่ตายสามเมื่อกำว่าบุริสโสชายคนเดียวเป็นเด็กกว่ว า, า, คค า, ววาวัจนะบุริสาชายลคนเป็นพระหัววัจนาเวปันคำโพธิสัตว์จัดเป็นลิงแล้ววันจะนะดังนี้นานต้องอาศัยเวบานช่วยอุปทาน เ, <ร>เหมือนภาษาของเราซึ่งนักปรฏิบัญญัติเรียกว่าอายตานิบาศเหมือนคำว่าซึ่งด้วยแก แม่จากกองนายเป็นต่วต้องใจวิปัสสังรังสามบอกให้รู้เนื้อความเหล่านี้ทั้งิ้นวิปัตนานมีสิบี่ตัวแบ่งเป็นเอกวัชนาเจนพาหุวัานาเจนดังนี้เอกวัชนานพะาหุวัชนนะาปัตมาที่หนึ่งสิโยตุติยาที่สองทโยตัติยาที่สมนายิตจตุทิที่สี่สนา สัปันจะมีที่ห้่มอีสะีหสันนัชจมีที่เจนจมิงสอัลลปนาสิโยอปตมาวิปัสสตนนั้นแบ่งเป็นสองเป็นลิค์โซร์กตาที่เป็นตัวประธานอย่างหนึ่งเป็นอลลปานาคำสำหรับร้องเรียกอย่างหนึ่งอยะานิบานอายะตานิบานแปลว่าคำเชื้อเลือกวา ให้จิตการใจเป็นคำแปลประจําหมวดวิปัสสนาเจตังนี้เอกวัจจานาภามุวัจจานาเติมท่าทังลายปัจามาที่หนึ่งอันวาตุสิยาที่สองซึ่งสุยังเส้นตลอดกัจจฟองสาติยาที่สามด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทางจะตุที่ที่สี่แก่เพื่อต่อปันจะมีที่หา้าใจชั่กว่าเอดที่ที่หก แห่งของมือสัตว์แต่มีที่เจ็ดในใกล้ที่ครันเมือในพรอดเหนือบนหน้าอาลาปานาแน่ดูกรค่าแต่วิธีแจกนานำการันสารที่สุดแห่งัต์เรียกว่าการันในปุงลิงมีการาันห้คืออ e ีออูในอิทธิลิงมีการาันห้าคืออ e ีออูในนับปุงสกัลเล็ง มีการสร้างคืออิอุนามที่ยังไม่ได้ประกอบด้วยเวาพาเรียกว่าสามส่วนนามที่ประกอบด้วยเวาพาแล้วเรียกว่าบทแบบแจกการันในลิงทั้งสามแจกปุงลิงอาการันในปุงลิงแจกอย่างภริสาภุรดังนี้ ตวปุริสัปุริสังปุริเสปุริเสนาปุริเสหิปุริเสปุริสัสสปุริสายาปุริสัสังปุริสานังปุริสสมะปุริสมะปุริสปุริเสหิปุริเสปุริสัสสปุริสานังปุริสสสมิงปุริสมิงปุริเสปุริเส ปุริสาปุริสาสัตวิเป็นรกรัเช่นนี้แจกเหมือนปุริสาอาจริยอาจารย์กุมารเด่คติยาคาสันาณโมจราจชาณมหาราสมชาณจรณตุรกมาเนะรมตุตะโทนาจงนารกนภาวะกฟภาเลกแก้วภาเลืองภากนกภาวะภมนุสสะมน โยนยาขยากรูขาต้นไม้โลกาโลกวานาราลิงสาอาทะมือยการันในปุงลิงแจกยาโมนิปุโรดังนี้โมนิมนโยมนิโมนิโมนยโยโมนิมูรินามริมูิเปมริสามูริโนมูรินังมูนิสัมมามุริมามุนิมูนิเปมูนิสามูนิโนมุนินังมูริสมิงมูิเีมุิสส ม anyway, ูนงมูนโยมูนีสัพ์ที่เป็นดิการันเช่นนี้แจกเหมือนมูนีอาคีไฟอาริกาเสงองอหิงูตปฏิจ้ามายนาทิกุมตามปฏิเจ้าปวนววทีเวทีเวทีข้าประสมาที่สมาธิดิการันในปุงลิงแจกอย่างเศษที่เศษที่ดังนี้เศษทิ่เิโนเศษที่เศษที่เศนังเศษโนเศษทีเศษที่นาเศษทีเศษทเศสั เศรษโนเรษนางเศรสมาเศติมาเศรษีหีเศรษฐีเสรษาเศโนเศนางเศรษสมิงเีมีเศริโ เสรษเสรษฐีโนเศรษฐีสาที่เป็นทิ่การเช่น น, นี้แจกเมือ่อเศรษฐีการีช่งางตาป่าตีคนมีตาบาทันตีคนมีไม่ตาดีคนช่างพูนโพกีคนมีโพคา้ามันตีคนมีความเขินเมตาวคนมีปัญญาสี่ขียนนอกโยงสุกุอาทิช่างบุการันนปุงลิง้ยงแจกจากคารุครูดังนี้ คารุคารุวะคารุคารุงคารุวะคารุคารุนาคารุหีคารุเปคารุสะคารุโนคารุนังคารุธรรมะคารุมะคารุหีรั การูการเวการวะสัตติเป ah ็นบุรุเช่นนี uh, ้แจกมเหมือนการูเกตุทงเจตุตัดเกินปัสสาวะคงเลี้ยงปัสสาวปอบปะปุสภวเมวพิคุพิคุเรบูคาสุสตตุตตุเซตุสัพนธิตุ โอการานในปุงเลงแจกอย่างวิญโยโพโรวสเดดังนี้วิญยโยนวิญยวิญโวิญโโวิญยวิญโนาวิญโยหวิญโยิวิญโสาวิญโโลวิญโนาวิญโยสมาวิญโยาวิหวิญโยิสวิญสาวิญโยโวิญนา วิญุาสมิงวิญญาณีวิญญาสัววิญญาวิญญโนวิญญยณสำที่เป็นดวงกัรยาณเช่นนี้แจกเมื่อว you know ิญญยณอาภีโผพระผูเป็นยงกาจันโยผู้รู้ประการราคดเด่นทาแล้วปาราโผู้ึงฝังเวทาโกผู้ถึงเวสยัมผู้พระผูเป็นเดงแจกหีติงอาการันในหีติเลงแจกอย่างกัญญาณสโอยดังนี้กัญญาเปรนโยกัญญา กันยากันยากันยาฮิกกันยาพกันยากันยนังกันยากกกัยายนังกัยายังย กันเยกันยูกันยาสัตวีเป็นอการเช่นนีแจกเหมือนกันยาอาจารยนางอับซนอปารสสามีอีกรณีกายิ่ม่มดอสางอนไทยอุกาโคเปลือกกาเลนเดสิกาสรเนยโาโอาจร เจตนาจุลิกากรนชาปะชาปะตาระดาววิกาตุงตาลิกาเ อนุกัลังยิการในอิเตลิจักยังราติราตดังนี้ราติรติโยราติรติสราติโยราติรติยราติหิรติเพรติยราินังรติยราชยราติิรติรติยาินัง รัติยารัติยาราตยางราติูสราติราติโยรเตติสทิ่เป็นจิการเช่นนี้แจกเหมือนรัติอนิลิมพิติเรติจันไรอุคลิโมคะอูมิคืนกติสาเหวคติความตนคันติรากะ้าวิเพีวจาลิสะเกตไมตันติเซนไดนันติความเพลินปัญหิสุนทามติความรู ยะเตมัยทารติโกมินติลาติลาติวาติโรติสันติความต่อเอกรยิติเล่งแจกอย่างนารีนางดังนี้นารีนริโยนารีนารินริยังนริโยนารีนรียานารีนริเบนรียานรีนานรยานีนรินรยานรา นารียานาริยังนาริโสนารีนาริโยนารีสับเทปเป็นทิการเช่นนี้แจกเมื่อนารีกุมารีเด็กหิงคารณียิ่งแม่เรือนที่หญิงใครเรืองปตวีแผ่นดินมาตุลานิปานาวิชานีพาสิมาหลีมาเยวูกาลันนยิทธิเล่งแจกอย่างราชูเชือกดังนี้ ราจราจูโยราจราชุงราชโยราจูราชูยาราจูฮิราจูพีราจูยาราจุนางราชูยาราชูฮิราจูพีราชูยาราจุนางราชูยาราจูยางราจูสู ราชูราชโยราชูวสาที mm ่เป็นนุการันเช่นนี้แจกเงอนราจชูโรตายกาสุลมเถนูแม่โคโนยาโคกาตมลาววน้ำตาเวชตายฟ้าอุการณนนายินเทลิงแจกอย่างว่าตูหญิงสาวดังนี้ว่าตูวาตุโยวาตูว่าตุงวาตุโยวาตูว่าตุยาวาตุหิวาตุเพ วัตุยาวัตุนางวัตุยาวตุเหววตุเพศวัตุยาวตุนางวัตุยาวัตยามัตุต วาตุวาตโยวาตสัตว์ที่เป็นดุรันเช่นนี้แจกเหมือนวาตุจามูเตนาจะมูไม่ว่าผู้แผ่นดินเขีวเวรุเทวันสารักู้โตแก่สิ้นถูแม่นาำสิ้นถูกแจกนากปุ่งสกลิงอาการันในนักปุงสกลิงแจกอย่างกูราตระคูนดังนี้กูรังกูลานีกูรังกูรานีกูเลนากูเลีกูเลเปกู กุลาศกุลากุลาังกุลานังกุลสมากุลามากุลากุเลหีกุเลเปกุลากุลานังกุลสัมงกุลามิกุเลกุเลสุกุลา กูลานีสัิที่เป็นนัการเชนนี้แจกเหมือนกูลาอังคาองอีนานีอุตตะราทองอุตตริฟีปังกาตาไมกามาลาดอกบัวาระเรือนจักกจาจักลอ้อจักตาจัดรมจลัลันามตาละเพื่อน ปัณนาใบ ไ, ไม้น้งเตือปาลาปลามายปาลากำลังปวนขัตตาขาสวยมาชนะเมายันตายนต์ราตากวนแควนราตา น, นตาแกวัสพา การในนภุสกาลงแจกย่างอาคีในตาดังนี้อาคีอาคีนีอาค a อาคีนีอาคีอาคีนาอาคีอาอาคีตาอาคีโนอาคีนางอสมอมาออออโนอนง อาคัอาคเมอาคโอาคอคีนีอีเศรษีเป็นติกรันนีแจกเนอาอาิเปวไฟอาิกระดกอาทินมสัีในใจโกาสรันในน้ำงสักรงแจกอย่างวัตถุพัดุดังนี้วัตุวัตุนี้วัตถุวัตถุงวัตุนวัตุัาวตนุวัตุสาวัตุนั วัตุมะวัตุมะวัตุมีวัตุเพศวัตถุสาวัตุน้องวัตุนางวัตถุมิงวัตถุมีวัตุโสวัตถุวัตุนิวัตุอาศัตติเป็นดวรันเช่นนี้แต่เมื่อวัตถุอัภูนามสูนาตายโยอายุจากกูนายตาจัตุยาสนตานุมาตุนามเพิงมาตุนุมาตุกายตัชฌพัน